วันนี้เป็นวันครบรอบ15วันการที่นายหลวงท่านหมดอายุไปนายหลวงเป็นผู้เป็นพ่อของประเทศเราเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและทั้งต่างชาติด้วยเป็นผู้สำคัญในประเทศของเรามีที่ว่าบ้านเมืองวุ่นวาย บางครัง้งบางสมัยก็ภาศัยองค์ท่านร ะ, ะงับลงช่วงพศ16อย่างนี้ อ, อันนี้แหละช่วงเขาปฏิวัติกันแบบนี้ก็มีนายหลวงนั่นแหละเป็นล่มโพล่มใส่ให้พวกเราท่านเป็นผู้มีความรู้ความรู้วิเศษการทำฝนการทาฝนเทียมแบบนี้ก็ ตัดถนนะจะตัดที่ไหนบ้างท่านก็เป็นผลวางแผนตัดถนนในเมืองกรุงเทพะจะสร้างเขื่อนอก็เป็นพระราชดำริของพระองค์ทั้งหมดจึงว่าความพยายามเหมือนกับพ่อของชาวไทยที่รักลูกทั้งหกสิบกว่าล้านจะดูแลความสุขทุกข์ของ วงประชาอันนี้นายหลวงท่านเป็นผู้เมตตามีความที่ว่าสงสารอันนี้แหล ะ, ะทุกทุกพระองค์ที่นายหลวงของพวกเราในบรรทบุรุษก็มีความหมายต่างองค์ต่างก็ที่ว่าไปสมานไปที่ว่าไปเยื่อมอมีการเยื่อมประเทศอื่นๆในที่มีพระเจ้าอยู่หัว ไปสัมพันธ์ทาไมตีไหว่ต่างชาติต่างภาษานี่หละก็ที่ว่าความรู้ความสลาดขององค์นายหลวงของพวกเราตั้งแต่ดึกดำบันมาในสมัยก่อนก็ที่ว่าช่วงสงครามคุกคามประเทศไทยอังกฤษเขาจะเอาด้านะตะวันตกแม่น้ำเจ้าพยาฝรั่งเศสอาด้านตะวันออกแม่น้ำเจ้าพยาเขาจะเอาเป็นเมืองขึ้น อันนี้แหะนายหลวงช่วงสมัยก่อนกอ็ท่านมีพระสหายที่โซเวียตที่นั่นที่ประเทศรัเสเซียที่โซเวียตพระเจ้าชาาท่านก็ให้พระราชทูตให้ราชทูตไปกราบทูลทางาโซเวียตพระเจ้าชาสาั่งมาถ้ า, อ, าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะไปลบประเทศไทยประเทศไทยเป็นพระสหายของเรา ก็เท่ากับลบกับเราอังกฤษก็กับฝรั่งเศสก็งดไม่เอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นอันนี้แหละผลที่ว่าพระบอลมสาโนวงทั้งหลายที่ผ่านมาในที่ว่าถ้าเป็นสงครามถ้าเป็นอะไรก็ระงับได้ด้วยการประมุข ป, ประเทศของพวกเราที่ว่ามีความรอบรู้ในว่าการสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ที่ว่ากอบพูดอิสระภาพแบบเอาเลือดเนื้อเข้าสู้เข้าแลกพระนเรสวนมหาราชพระเจ้าตากสินอย่างนี้ก็ทำสงครามซ้ำซๆำซากๆไม่รู้ว่าตายมาเท่าไหร่อันนี้ละจิตวิญญาณของแต่ละคนละคนก็ที่ว่าให้พวกเราคิดดูว่าถ้าเป็นพวกเราทุกคนที่ออกไปป้องกันประเทศชาติก็ล้วนแต่ว่า เอาชีวิตไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเป็นทํานองนี้เวลาทําสงครามแต่ละครั้งเนี่ยเป็นลูกกัมพาไปเท่าไรเป็นแม่ไม้ไปเท่าไหรในประเทศหนึ่งๆจะเป็นทํานองนี้พวกที่อยูอ่ในประเทศก็ทํา อ, อะไรก็ไม่ถูกละ่ะก็จะว่าวุ่นวายอดละเวงไปทํานองนี้ให้พวกเราคิดดูว่าบุญคุณอของกษัตริย์ ไทยของพวกเราที่รักษาพื้นแผ่นดินให้เราอยู่กลัวจะมาถึงยุคนี้สมัยนี้อ่าอันนี้ก็ใคยพวกเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยบวงโนทั้งหมดประเทศของเราน่ะมีความจงรักภักดีต่อนายหลวงองค์นี้อ่าที่ว่าเป็นผู้ที่ว่าคลองราชสมบัติยาวนานแล้วก็มีอายุอ่าอายุของท่านก็ยั่งยืนอันนี้ล่ะก็เพราะผลบุญอ่าผลบุญ สร้างไว้มาหลายภพหลายชาติอันนี้ก็ผลบุญถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งสูงสูงใหญ่ๆหนี่อยู่ไม่ได้นานสังฆราชก็เหมือนกันสมเด็จสังฆราชบางองค์อยู่ปีเดียวอ่าสิ้นไปแล้วอ่าทุกวันนี้ก็อยู่นานสมเด็จยานอย่างนี้ก็อยู่นานอันนี้แหละก็บุญเพราะบุญนั่นแหล ะ, ะสิ่งเราเนี่ไอ้พวกเราเกิดมาก็อาศัยบุญเก่า ที่พวกเราได้มาเป็นคนที่พวกเราได้มาได้มาสนใจฟังอาจฟังธทำก็นิสัยเก่าของเรามีบางคนเขาก็ที่ว่าชอบสนุกช อ, อบมักง่ายชอบอยู่สบายสบายแต่พวกเราก็ที่ว่า <c oughs> ยังฝืนออกมาฝืนจากความสุขความสนุกสนานความการหลับการนอนการพักผ่อน อันนี้พวกเราก็ฝืนออกมาก็ได้มีนิสัยเก่าสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทําเพิ่มเติมไปอย่าลดล ะ, ะการฝืนการทวนกระแสะการทวนกระแสท่านว่าทวนกระแสความอยากของเราเนี่ยมันไปตามมันไปตามถ้าเราดูแม่น้ำสีมันไหละนะมันก็ไหลลงไปหาแม่น้ำมูลแม่น้ำสีของพวกเรามันก็ไหลลงไปหาทะเล มันไม่ทวนกับแต่จิตใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยทวนกระแสโลกถาทองคำเนี่ยมันไหลทวนกระแสโลกอันนี้แหละญาติโยมทุกคนถ้าเราตามความอยากของตัวเองเนี่ยไม่รู้จกักที่ว่าไม่มีความจะจบจะสิ้นสักทีถ้าเราไปตามความอยากเราต้องฝืนความอยากถ้าเราไปตามความชิดของเราความอยากมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ใจของเราเนี่ยแหละ ถ้าเราตามความคิดของเราเนี่ยมันก็มีแต่ที่ว่าจะรวยแบบนั้นรวยแบบนี้ต้องมีความสนุกเพลิดเพลินแบบนั้นแบบนั้นมันไปทำนองนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนหาสอนที่ว่า ล, ữ, ล, ữ ลื้อลื้อกับสอนที่ว่าทวนกระแสก็คือว่าคิดทวนกับคิดทวนกับยังไงบางคนก็ไม่เข้าใจว่าการคิดกับความไม่แน่นอนคิดเรื่องความไม่แน่นอน ความแจ่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันของเรามีอยู่ข้างหน้าถ้ามีความเกิดแล้วความตายก็อยู่ข้างหน้าอันนี้แหละวิธีคิดความคิดความนึกตัวนี้แหละจะได้เกิดความสลดสังเวชก็เพราะความคิดมาลงสู่ที่ว่าลงสู่ความตายอันนี้เราฝึกหัดคิดแล้วเราก็คิดว่า ญาติพี่น้องที่ตายไปก่อนพวกเราเขาก็มีความเกิดมาเหมือนกันเป็นเด็กเป็นเล็กหนุ่มสาวค่อยแก่ค่อยสลาไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตายอันนี้เราก็มีความเกิดมาเหมือนกันความสนุกเพลอดเพลินทั้งปวงเนี่ยอยากร่าอยากรวยอยากดีอยากความอยากมันเป็นทำนองนี้แต่เราที่ว่าให้ฝึกคิดนึกทำนองนี้ให้ฝึกคิดว่าคิดกลับ คิดควรกระแสนี่ไม่ไม่ปล่อยไปตามใจของตัวเองเราคิดอยากล่ามอยากรวยนี่คิดมานานแล้วบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังแม่จะสมหวังในวันหนึ่งก็ตายจากทรัพย์สมบัติไปโลกนี้เป็นที่ว่าท่านจนงว่าโลกนี้ไม่มีใครยับยั้งไว้ไม่มีใครยับยัง้งชีวิตเรื่องร่างกายของเราไว้ได้คนทุกคนที่เกิดขึ้นมาต้องมาแก่มาเจ็บ ม, มาตาย ถ้าใครคิดทำนองนี่แหละจะได้คิดทวนกระแสคิดทวนกระแสคิดทิจนาเอาเอาสติเนี่ยถ้าขาดสติมันก็ไม่เป็นต้องเอาสตินั่นแหละทุกคนสติของเรามีกันทุกคนนั่นแหละแต่เราเนี่ใช้สติไปไปทางอื่นเราก็ไปทางตามความอยากของเรามีสติในความพยายามจะทําทนั่นทํานี่ไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามีสติมาภาวนาเนี่ยมาฝึกดเูเรื่องที่ว่าถ้าถ้าพุทโธเนี่ยท่านธรรมดาครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้นึกพุทโธนั่นแหละแล้วก็สติอยู่กับลมหายใจถ้ามันเผลอมันก็ไม่มีสติมันมันไม่มีน ะ, ะถ้าขาดสติมันก็ไม่รู้ว่ามันหายไปเมือ่อไหร่สิ่งเรานีให้เรามีสติประครับประคอง แล้วก็สู้สู้อดสู้ทนดูดูความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในธรรมจักรประวัตนสูตรท่านก็แสดงว่าทุกนั่นแหะก่อนอื่นนะทุกให้ดูทุกทุกที่เกิดขึ้นจะทำให้ที่ว่าเราเนี่เกิดธรรมะขึ้นมาสอนใจเราความที่เกิดทุกขึ้นมานั่นทให้มีสติถ้าทุกไม่มีถ้าเราไม่เกิดเวทนานี่ เราก็ตั้งสติยากเวลามันปวดขาปวดสะโพกปวดฝ่าเท้าขึ้นมาแบบนี้จิตของเรามันจะวุ่นวายขึ้นมามันจะทุกข์ขึ้นมาพอมันทุกข์นั่นแหละเราจะกาหนดได้ตรงไหนมันทุกข์กว่าเพื่อนเราจี้มันเลยสติจ้องเข้าไปดูทุกข์นั่นแหล ะ, อ, ะอันใดสิ่งไหนที่มันทุกข์เดียวเนียตีนเท้าของเราหรือเป็ น, ป น, ปนตัวเป็นตน เป็นใจของเราไหมใช่ไหมเนี่ยให้กำหนดดูเนี่ยอะไรเป็นสิ่งสาคัญตัวไหนมันจะเกิดตัวไหนมันจะตายให้พิจารณาลงมาดูดูที่มันทุกนั่นแหล ะ, ะดูทุกให้เลยทุกดูจนมันข้ามทุกได้ไอเวทนาที่มันเกิดอยู่เดียวนเนี่ยเราพยายามสู้เราพยายามสู้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาเกิดขึ้นมาได้อันนี้วิธีวิธีสู้สู้แบบนี้ ทุกคนก็มีทั้งนั้นแหล ะ, ะมีการหมดทุกตัวทุกตนนั่นแหละเรื่องเวทนาเรื่องความอยากความทุกคนมันต้องการสบายแต่สําหรับที่ว่าการฝึกหัดภาวนานี่ต้องดูทุกอยากขยับตัวอยากขยับตัวเรียกว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยเอาพุทโธกำลบกำกำหนดตามลมก็ได้พุทโธพุทโธกับลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ย คนไม่มีพุโทโธบางคนเนี่ยสติจ้องอยู่กับลมเฉยๆนี่ก็ได้อันนี้แหละสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือลมอเวลามันเหนื่อยมาจริงๆเนี่ยพุโทโธมันหายก็ได้พุโทโธไม่มีแต่เราดูลมดูลมไปต่อไปเรื่อยๆอันนี้แหละเรื่องสติของเราที่ว่าคําว่าสตินี่มันอยู่กับที่ว่าในตัวทุกคนเราอุปมาเหมือนที่ว่าเรากลัวที่สุดในดงนี้ คิดว่าเสือเนี่ยมันจะกระโดดออกมากัดเราไปกินนะเราต้องพิจารณากายของเราเราต้องจ้องดูที่กายของเราเสือมันจะกระโดดเข้ามากัดเดี๋ยวนีน้นี่สติเป็นลักษณะนี้เหมือนกับเขาจะตัดคอเราให้ให้ทํานองนี่อันนี้แหละใส่สติแบบนี้ให้สติอยู่กับกายถ้าใจของเรามันอยู่กับกายนะั่น จิตของเรามันจะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นมันจะมีพลังนะครั้งแรกๆเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะพุทโธหรือว่าสติของเราเนี่ยมันไม่มีคิดมาแป๊บเดียวมันหายไปคิดมาแป๊บเดียวมันหายไปท่านอุปมาเหมือนได้ว่ามันเป็นลูกโซ่ช่วงนั้นมันยังเป็นลูกโซ่อยู่มันยังไม่เป็นสายโซ่อันนี้แหละถ้าสติของใครมันต่อเนื่องได้เนี่ยมันเป็นสายโซ่พุทโธนี่จะต่อเนื่อง อ่ามันจะรู้เลยว่าโอ้แต่ก่อนเราพยายามนึกพุทโธเนี่ยมันนึกยากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ดึกไม่ได้นึกยากมันเป็นเองมันเป็นเองของมันมันเป็นอัตโนมัติของมันพุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของเรามันจะเข้ามาทำนองนี้อันนี้แหละส่วนที่รักษานี่ก็ต้องที่ว่าให้รักษาให้มันอยู่กับด้วยกันระหว่างจิตกับกายให้มันอยู่ด้วยกันไม่ให้มันออกจากกันให้พิจารณาลงจุดนี้ มาดูที่ว่าร่างกายตัวตนของเรานี้ยต้องเริ่มเริ่มใหม่ๆนี่เอาจุดเดียวเริ่มใหม่ๆเริ่มแรกเอาจุดเดียวจะดูที่ว่าปลายจมูกเนี้ยก็ได้หรือว่าใครถนัดแบบที่ว่าจ้องดูฟันของเราซี่ใดซี่หนึ่งก็ได้จ้องตงต้องต้องจ้องแบบนี้ต้องมีที่ว่าเอาจุดเดียวนั่นแหละ จุดเดียวเนี่ยแหละสำคัญมากหลวงปู่บุญจันทร์ท่านเทศสอนอแต่ก่อนท่านบอกว่าเขาเจาะไม้เขาเจเาะท่อนไม้ท่อนสุงถ้าเห็นว่ามันแข็งเกินไปแล้วก็ถอนไปเจาะรูใหม่มันยิ่งจะเหนื่อยมันจะเสือแรงมันจะไม่ได้ทะลุสักทีท่านบอกแบบนี้อันนี้แหละเหมือนกันคำว่าจอเจาะที่เดียวเนี่ยคว่าเจาะรูเดียวเนี่ย อันนี้แหละให้กําหนดที่เดียวใครถนัดอันไหนก็เจาะที่นั่นอันนี้แหละจิตของเราจึงจะรวมได้ อ, อาศัยนี่แหละความอดทนสติและก็ขันติเป็นที่ว่าเป็นสิ่งที่จะที่ว่าให้เราที่ว่าเจาะรูนี่ทะลุได้ต้องอาศัยตัวนี้ต้องอาศัยที่เดียวอย่าไปเปลี่ยนว่า หลวงปู่องค์นั้นว่าแบบนั้นอาจารย์องค์นั้นว่าแบบนั่นเราจะเปลี่ยนเลมหายใจของเราคงไม่ถูกคําว่านึกพุทโธพุทโธของเราคงไม่ถูกถ้าไปลังเลสงสัยไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อยู่นี่ยไม่มันไม่ทะลุสักทีอันนี้ต้องเอาสิ่งเดียวสิ่งไหนตัวเองสันทนัดนั่นแหละให้กําหนดดูภายในร่างกายของตัวเองเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นศพแล้ว ลมหายใจของเราหมดแล้วเรากับเพื่อมตัวไม่ได้เราขยับตัวไม่ได้ทำนองนี่เลยนะหลวงพ่อสอนตัวเองสอนแบบนั้นสอนว่าศพเลยสอนบอกว่าตัวเองเป็นศพแล้วคืนน้ำลายไม่ได้ศพอ่าแล้วแต่มันจะเป็นอ่าพวกมแมลงจะมากัดมาแทะไปกินเนี่ยก็สร้างมันนั่นนั่งนั่งสู้ทนสู้ทุกต้องสู้แบบนั้นถ้าถ้าเราไม่มี ความคิดนึกมาหาวิธีจะแก้ไขเนี่ยมันชนะมันไม่ได้เดี๋ยวโตอเลอต่วะตัวที่ว่ามานมานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมานะเวลาเรานั่งโอ้ยเวลานั่งถ้านั่งนานนาเดี๋ยวมันเป็นอมภพนะมันว่าของหลวงพ่อมันขึ้นมาเลยไม่ต้องตายเลยมันเอาอสู้ทํานองนี้ไม่ต้องกลัวเป็นอมภพกับมะพร้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเกิดเนบเนี่ย อัระยะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยบางคนมันก็เกิดแต่ส0ิบนาทีอ่าสี่สิบนาทีมันก็กจะเกิดขาเป็นเน็บหลวงพ่อนั่งสามโมงเช้าไปถึงสโมงเย็นอ่านั่งลวดเดียวสู้กับเวทนาสู้อดสู้ทนอันนี้แหละหลวงพ่อจึงกล้าว่าสละตายเพื่อทำให้สู้สู้ที่ว่าถ้าเราอดสู้เนี่ยมันจะฟื้นไปเรื่อยๆร่ออ่เรื่องที่ว่าความรู้ความเห็นมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เวลามันทุกข์ที่สุดน่มันจะอยู่แบบไหนมันก็ฝึกที่ว่าเอา้าเราเป็นศพแล้วศพตายแล้วมันต้องขึ้นอืดแมมันจ้องเปื่อยเน่าในที่สุดก็ที่ว่าผุพังลงไปนอนมันไหลเข้าไหลออกตามตามจมูกตามปากของเราเนี่ยมันไหลเข้าไหลออกไหลตามซี่โครงของเราเต็มไปด้วยหนอนร่างกายของเรา กำหนดแบบนี้หลวงพ่อสู้กับเวทนาในช่วงนั้นนะวิธีสู้ของหลวงพ่อเอาหนอนเจาะศพกําหนดไม่ให้ออกจากกายให้ดูกายนี่แหละลือ่อลื่อไม่ให้มันยึดติดเข้าใจไหมวิธีนี้วิธีลื่อไม่ให้มันยึดติดถ้าเราจังหวงกายว่าตัวเราขาเราตัวเราอ่ะมันจะหวงเห็นมานะมันก็จะยึดว่า ตัวกูของกูขากูแขนกูแล้วก็ผัวกูเมียกูลูกกูหลานกูบ้านกูรถกูบ้านที่อยู่ของกูที่ไล่ที่นาของเรามันก็คิดทำนองนี้มันก็ยึดติดอันนี้แหละวิธีไม่ให้มันยึดติดก็จะว่ากายของเรานี่เอาไปด้วยไม่ได้เวลาตายแล้วทับถมผืนเป็นดีอยู่นี่ทั้งหมดล่างกระดูแม่แต่ฟันชีกหนึ่งเอาไปไม่ได้ผมเส้นหนึ่ง ก็มาผุพังอยู่ในผืนแผ่นดินนี้นี่มันเป็นแบบนั้นความจริงของมันเป็นแบบนั้นท่านให้พิจารณาลงสู่ที่ว่าความไม่กี่ลังยั่งยืนอ่าที่ว่าท่านเชืว่าอ่าพิจารณาลงสู่ที่ว่าความที่ว่าความแก่ความเก็บ ค, ค, ความตายพิจารณาลงสู่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะนั่งอยู่เฉยๆจะให้ทำรรมะนี่มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้รู้ได้เห็นแล้วแบบนั้นอ่าถ้าเราไม่ฝืนดูร่างกาย สู้กับทุกขเวทนาเนี่ยใจของเรามันจะไม่ลงสักทีอันนี้แหละความยึดติดความได้ว่าที่ว่าความที่ทว่ า, ว า, ม, วามันยึดว่าตัวเราตัวกูขากูโอ้ยเดี๋ยวขาจะหักเดี๋ยวมันจะเป็นอ ม, มพตะอมภะเดี๋ยวมันจะเป็นโลกกระเพาะอาหารอ่ามันก็สักส่วนไปต่างๆน า, านานันานน่นแหละโอ้ยเรายังไม่แก่อ่ที่หลังจึงทําไมนอนกันเถอะมันว่ามันก็เห็นหมอนสลานางังคัสามิอ่า มันเห็นที่นอนนั่นแหละสำคัญกว่าการนั่งทำความภาคความเรียนถ้าใครฝืนได้เนี่ยอย่าไปห่วงเรานอนมาแล้วเนี่ยอ่าไม่รู้ว่ากี่ปีผ่านมาแล้วเรานอนมาแล้วอสอนอย่างนี้แหละการอยู่ดีกินดีนอนหลับดีในบ้านในห้องแอร์นะะั่นมันไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นเราต้องฝืนนั่นแหละต้องสู้กับเวทนาสู้กับทุกฟาฝืนสิ่งเหล่านี้ จนมันยอมนะ่ะจนมันยอมรับถ้าจิตของเรามันพิจารณาศพของตัวเองให้มันสานานาพิจารณาลงไปในที่สุดกระดูกทั้งหมดเนี่ยเนื้อหนังเปลือยเน่าลงไปสู่ดินนอนก็กินนอนก็เข้าฝักต่อมาหนอนมันโตขึ้นมันก็เข้าฝักเข้าฝักเปลี่ยนออกมาก็เป็นมแมลงวันไขใสอีกไอศอกของเรามันแฟบลงแฟบลงในที่สุดลงเป็นดิน ในที่สุดกระดูปูพังลงเป็นดินเอาทำนองนี้การที่ว่าจะเป็นงานลือ้อลื้อความยึดติดเข้าใจไหมไอตัวนี้แหะทุกคนมีความยึดติดมีความอาลัยลักมีความหึงหวงว่าตัวเราตัวเราตัวกูมันว่าของกูสมบัติกูเงินทองเข้าของของกูให้พวกโยมคิดว่ามหาเศรษฐีในเมืองสารคามนี่คนแต่ก่อนไปไหนหมด ตายแล้วนายแพทย์นายหมอที่ก่อนๆเนี่นนะไปไหนหมดแทนที่ท่านจะรักษาไว้ได้ท่านก็รักษาท่านไม่ได้ถึงจะเป็นแพทย์เป็นหมอก็รักษาตัวเองไม่ได้เงินทองเข้าของทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนอื่นไปเรื่อยๆ เ, เป็นของลูกของหลานไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเราก็ตายจากผืนแผ่นดินนี้ไปเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่อีกมาทํานองนี้ที่พวกเราเลื่อนเล่ล่อนเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย คนละหลายล้านเที่ยวมันเป็นแบบนั้นอันนี้แหละให้พวกเราตระหนักที่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะจัดสงบได้ทําความสงบเนี่ยนึกพุทโธเนี่ยแหละพุทโธเข้าออกกับลมหายใจนี่แหละจิตของเราจะสงบได้ในที่สุดมันก็จะว่าพุทโธมันหายนะถ้าเอาดูดู do, do พุทโธเนี่ยอันคําว่าคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันต่อเนื่องคําว่าพุทโธนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของเรา ในที่สุดมันหายมันหายไปแล้วอ้าไม่ใช่เราตายแล้วหรือพุโทโธเราจึงไม่มีอ่ามันเป็นทำนองนี่แหละอ่าก็ช่างมันเรามีผู้ลูกอยู่เราดูตัวลูกไปนั่นแหละให้มันผ่านไปทำนองนี่มันจะเปลี่ยน ไ, ไปเรื่อยๆของมันที่ว่าธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นมานะถ้าเราไม่ไม่ห่างออกที่ว่าสติสติอยู่กับกายเนี่ยพิจารณากายเนี่ยอย่าให้มันไปคิดเรื่องล่ำเรื่องรวยเรื่องอยากไปอยู่ ในที่อื่นๆเนี่ ย, ยไปแบบนั้นให้มันกี้กันอยู่ตรงนี้ถ้าสติของเราอยู่กับกายของเราเนี่มันมีโอกาสเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยพอรู้ได้พอเห็นได้หลวงพ่อว่าแบบนี้เนี่ยการสู้กับเวทนาเนี่ยสู้ให้มันเลยทุกไปเลยในที่สุดเนี่ยมันทิ้งไปเลยล ะ, ะความยึดติดความที่ว่ า, ว า, ม, วามันคำที่ว่าตัวเราขาเราแขนเราเนี่ย มันหมดไปเลยมันไม่มีมันเป็นตัวลูกขึ้นมานั่นแหละถ้าเราพิจารณาลงไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆความทุกข์เกิดขึ้นมาแค่ไหนก็ช่างอ้าวคนที่เขาตายมันปวดกว่านี้คนที่เขาตายไปแล้วมันเก็บกว่านี้ปวดกว่านี้ภาษาอะไรแค่นี้มันยังไม่ตายนะให้ทําให้ทําความรู้แบบนี้มันปวดขึ้นมาเท่าไรก็ช่างอ่าคนที่เขาไปตกนรกอเวกีนั่นแหะมันปวดแรงกว่านี่ให้ให้ตําหนิตัวเองแบบนี้ อันนี้แ่ละถ้าใครตำหนิทานองนี่หละจิตของเรามันจะได้รู้ได้เห็นสัตว์จะทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ว่ามหาศจันทร์สิ่งลึกซึ่งเป็นสิ่งที่ว่ารู้ได้ยากแต่เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยหลวงพ่อว่าแบบนี้ให้อดทนเอาสู้อดทนต้องมีความอดทนนี่แหละเป็นตบะความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งท่านจึงว่าแบบนี้ ขันติปรมังตโปติติฆาความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นตบะแผดเผาเนี่ยนิพานางปารมังวรันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งนาฮิปปัชตโตปลูปคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบีย น, ยนสันอื่นไม่ซื่อว่าสมณนะบรรพชิตเลยท่านบอกแบบนี้ให้พวกเราอดทนในหลักพวกเราถึงพร้อมแล้ว ในปัจจุบันนี่อย่าไปคิดสงสัยว่าเออบารมีของเรายังไม่มีเรายังไม่ได้บวชแบบท่านครูบาอาจารย์หลวงพอ่อหลวงตาอย่าไปคิดแบบนี้ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนอันนี้ลหละคนนี่ลหละผู้ประพฤติปฏิัปฏิบัติได้อย่าคิดว่าเป็นสิ่งเหลือพิสัยใจของเรานี่สมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัติเอาอย่าปล่อยให้ใจจิต ด, ดวงนี่นะ มันเล่ร่อนเวียนตายเวียนเกิดสงสารมันบ้างอ่าที่พวกเราเวียนไหว้ตายเกิดมานี่คนละหลายล้านเที่ยวแต่ละดวงละดวงจิตดวงนี้แ่ะจิตใจของเราเนี่ยแหละอ่าเวียนไหวยตายเกิดมันไม่เกิดมาตลอดที่ว่าเป็นคนมาตลอดอ่าที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยวุ่นวายมานั่นแหละเกิดตายเกิดตายมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์มาแล้วหลายล้านเที่ยวมันเป็นแบบนั้นแต่ละดวงละดวง อันนี้แหละจิตของเราแต่ละคนละคนเนี่ยเวียนไหวาตายเกิดมานี่แหละมันไม่เข็ดหลากสักทีแตมเมื่อใดยังมีพระพุทธเจ้าอยู่มาตรัสรู้ก็บางคนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจไปฟังอัดฟังธรรมกับท่านบางคนก็เคยบวชกับท่านมาเหมือนกันแต่กับสู้กับราคะแต่หาไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ก็ซื้อกล อ, อกมามาเป็นญาติโยมแล้วก็ตายนี่แหละตายมาทำนองนี่ พวกเราเวียนไหวาตายเกิดถ้าใครสะละชีวิตเพื่อทาถ้าใครสะละชีวิตเพื่อทำก็นั่งให้มันเลยตายนั่นแหละนั่งให้มันเลยทุกข์อย่าคิดว่ามันเป็นไม่ได้ อ, อันนี้แหละธรรมมันเกิดขึ้นจากตัวนี้ถ้าเราทุกข์มากๆเนี่ยธรรมะมันก็ละเอียดขึ้นไปเรืยย่อยๆลมหายใจละเอียดใจของเรามันก็ละเอียดไปเรืยย่อยๆมันก็สอนกันไปเรื่อยๆนั่นสอนเป็นเปาะๆไปเรืยย่อยๆในที่สุดเราก็ ฝ่าฟันอุปสรรคในที่สุดจิตของเรามันจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาอ่ามันจึงว่าร้องให้เมื่อมันเห็นรู้มันเกิดความรู้ความเห็นมันเกิดความอัศจรรย์อ่ามันเกิดเป็นทํานองนี้ลูกของคุณข้าที่ว่าเราได้รู้แบบนี้เราได้เห็นแบบนี้มันเกิดขึ้นมาน่มันมันเกิดทํานองนี่แหละให้เราฝ่าฟื้่าฟันอย่าปล่อยให้ตามความมักง่ายอย่าตามใจตัวเอง ถ้าเราตามใจตัวเองเนี่ยเราลอยตามกระแสน้ามันจะตกทะเลอ่ามันจะตกทะเลให้ฟื้นเหมือนกับเขาพายเรือทวนน้ำมันก็จะพายยากอันนี้เหมือนกันอ่าถ้าคิดตามความอยากตามกิเลสตัณหานี่มันไปสบายสบายไปเลยอ่าแต่ถ้าคิดทวนกระแสเนี่ยมันทวนยากมันมีแต่เอ่อเหมือนกับจะล่มจะตายนั่นแหละความคิด ในขณะนั้นให้เราฝืนเอาอย่าปล่อยให้มันเป็นไปไม่ได้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์บางองค์เนี่ยท่านก็มาพิจารณาเองนั่นแหล ะ, ะเมื่อเป็นโยมข่าวที่เป็นโยมใครหละเป็นตัวอย่างที่ดีพระนางเขมาพระนางเขมาเนี่ยเป็นมเหสีองค์เล็กของพระเจ้าพิมพิสารกุงราชสักยึนั่นแหละ เมื่อพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดราดซื้อบางอธิวาคนก็ได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ทำขั้นต้นนี่แหละส่วนมากนะได้ขั้นได้ทำขั้นต้นเปลี่ยนพระโสดาบันบางคนเกิดศรัทธาเลี่ยมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังจิตก็ยังไม่พ้นยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังได้ไม่เป็นพระอนาคามีพระสกิทาคาพระอรหันต์แบบนี้ ก็ยังไม่ได้เป็นก็เป็นธรรมะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระพุทธเจ้าอันนี้แหละในข้างนั้นน่ะที่ว่าพระพุทธเจ้าไปกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิพิสานพาบริษัทบริวารออกไปฟังธรรมนั่นน่ะได้บรรลุธรรมแสนกว่าคนอ่ะสิบเนหฮุดสิบสองนะฮุอ่ะเป็นแบบนั่นในข้างนั้นอ่ะเป็นแสนกว่าคนเลยนั่นแหละ อนนต่อมาพระนางเขมานี่ไม่ได้สนใจพระนางเขมาไม่ได้สนใจจะพาจับสักส่วนไปท่านก็ไม่ไปพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ให้พวกนักกวีมาแต่งก่กาวถึงอุทยานเวลุวัณวัดเวลุวัณนั่น ะ, ะอุทยานเวลุวัณ น, นี่เป็นสิ่งที่ว่าเป็นที่น่าลื่นลมเป็นที่สวยงามที่สุดมี สายน้ำมีดอกไม้มีอะไรพรลานาไปเรื่อยๆนะ่ะนักแต่งนักกวีเขานะ่ะแต่งอุทยานเวลุวันเนี่ยสวยเทียบเท่ากับสวนในเทวโลกอ่พาพัลนาไปทำนองนี่ให้นักร้องมาร้องเพราะๆดีๆแล้วก็ไปร้องร้องไปร้องเข้าไปในพระราชสวังพอพระนางเขมาได้ยินก็สนใจเอออุทยานที่ว่านี่อยู่ที่ไหนอ่า อุ้ยามาทั้งหลายสาวสนมทั้งหลายก็พาพระนานไปเที่ยวสวนเวรุวันท่านพระนานก็คิดว่าเออในตอนเช้าขณะที่พระพุทธองค์ออกบินท่าบาทเราจะไปชมเราจะไปเที่ยวดูเราไม่ต้องการอยากจะไปเจอพระพุทธองค์เราต้องไปในช่วงท่านออกบินท่าบาทบอกแบบนี้แต่พระพุทธองค์ลวงลูก ความคิดนี้ของพระนางแล้วพระองค์ก็นั่งรออยู่ในพระวิหารในขณะช่วงเดินไปชมตรงนั่นตรงนี้ไปเรื่อยๆอพวกอมตะพวกสนมทั้งหลายก็พาแวะเข้าไปที่วิหารพระพุทธเจ้าพอพระนางเขามาไปมองเห็นพระพุทธเจ้าแค่นั้นละ่ะตะลึงเลยโอ้เราเกิดมานี่ไม่เคยเห็นบุรุษไหนจะสวย ถึงขนาดนี้ท่านตะลึงขึ้นมาเลยพระพุทธองค์ก็ทํารูปจําแรงรูปนิมิตเกิดเป็นทำรูปนิมิตรูปจําแรงขึ้นมาเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กสาววัยรุ่น1ิบสี่สบห้าปีพอพระนางเขมามองเห็นแล้วเรานึกว่าเราสวยที่สุดในแถวนี้ก็ยังมีคนที่สวยกว่าเราอีกเยอะแยะเราไม่เหมือนกับกาอยู่ในฝูงหงท่านคิดไปแบบนี้ พระพุทธองค์ก็ให้ล่างนี่เห็นเฉพาะพระนางเขามาคนเดียวแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้แก่ไปเรื่อยๆอายุ16 1หกสไปเรื่อยๆพระนางเขามาก็มองจ้องอยู่ในรูปนั่นแหละอยู่ในรูปที่สวยๆนั่นแหละในที่สุดรูปสวยๆนี่ก็ค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปในที่สุดก็แก่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆในที่สุดก็แก่ซาลาค่าค่าลงในที่สุด ก็ล้มลงตายตายแล้วก็พวกนอนเนี่ยเจาะศพของอคนรูปร่างตัวนั้นพระนางเขมาจ้องไปจ้องไปเรื่อยๆท่านก็เกิดความรู้เกิดขึ้นมาในใจของพระนางว่าโอ้เรานี่ยหญิงคนนี้สวยกว่าเราหนุ่มกว่าเราเขาก็มาตายต่อหน้าต่อตาของเราเราไม่นึกไม่คิดว่าเราจะตายนั่น พระนางเขมาคิดเรื่องความตายได้แล้วปัญีาพระพุทธเจ้าจึงกลับมาเทศโปรดเอ า, อ า, อาเทศเรื่องความไม่กีรังยั่งยืนเขมาเธอเข้าใจว่าเธอจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือพระพุทธเจ้าเริ่มเทศไปทำนองนี้แหละในที่สุดพระนางเขมาก็พิจารณาตามคำเทศของพระุทธองค์นะในที่สุดพระองค์ก็ได้เป็นพระรหันขึ้นมาในโลกองค์หนึง่ง พระที่ยืนยืนอยู่นั่นแหล ะ, ะเป็นพระลัหันได้เลยนั่นแหละเพราะพระพุทธองค์จึงตัดถามตัดถามพราาะราสาพระเจ้าพิมพิสารมหาบาพิษจะให้พระนาจะให้เขมาบวชหรือจะให้ปรินิพานพระเจ้าพิมพิสารได้ยินดังนั้นก็เข้าใจคําว่าปรินิพานหมายความว่าพระนางเขามาเป็นพระลัหันแล้ว พระราสาก็ให้บวชพระเจ้าข้านั่นพระราสากราบทูลพระพุทธเจ้าเลยว่าให้พระนางเขมาบวชอันนี้แหละพวกเราวิเศษวิโสกว่านาพระนางเขมาไปอย่างนั้นเลยให้พวกเราคิดดูว่าพระนางเขมาเป็นคนสวยในกรุงราชคฤห์พ่อแม่ไม่ยอมยกให้ใครก็ยกพระราชทานให้พระราสานั่นแหละท่านก็ยังสาวยังสวย ในที่สุดพิจารณาความเปื่อยเน่าของตัวเองนั่นแหละก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระหลหันได้เหมือนกันอันนี้แหละตัวอย่างที่ดีสมควรพวกเราจะประพฤติปฏิบัติเอาอย่าคิดว่าเป็นของเหลือวิสัยอ่าเป็นของไม่เหลือวิสัยลองพ่อว่าแบบนี้แต่เลยตายนิดนึงอ่าถ้าเลือถ้าเราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ให้เป็นซากศพลองดูก็ฝึกหัดทำนองนี้แหละ ฝึกหัดร่างกายของเราเป็นสิ่งไม่กีรังยั่งยืนท่านจึงว่าอุปนิยติโลโก โ, โลกคือหมู่สัตว์อันสราต้อนไปอยู่อธุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนอัตโนโลโก โ, โลกไม่มีผู้ต่อต้านอนาพิสโลไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่อัสโกโลโกโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนนั่นฟังเอาโลกทั้งหลายเนี่ยเราว่าสมบัติเร า, เ, าเงินทองของเราหัวเราเมียเรา เรายังยึดติดสิ่งเหล่านี้ในที่สุดโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนให้พวกเราเข้าใจอันนี้แหละอย่าคิดว่าเป็นของไม่มีเป็นของมีอยู่ประจำโลกถ้าใครยังมีกิเลสตัณหายังมีความโลภโกรธหลงเนี่ยภาวนาได้เราก็สู้นี่แหละทำเป็นคู่แข่งกับกิเลสตัณหาให้เราฝืนมันเราอย่าไปตามมันถ้าเราไม่ไม่ฝืนเนี่ย เราก็เหมือนกับว่าเป็นนักสู้ไม่จริงนักสู้ที่จริงเนี่ยเวลาขึ้นเวทีเนี่ยลุยแหลกเป็นเ ว, เวลาที่ว่าถึงเวลาประจันบาลของเราเนี่ยเวลาไหนหล่ะเวลาเราใกล้ตายเวลามันเป็นโรคเก้าโรคเบาหวานโรคมะเร็งมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งเม็ดเลือดที่มันมีอะไรมันเป็นมะเร็งได้หมดนั่นแหละเวลาเราจะตาย เวลามันเจ็บมันเจ็บอยู่ข้างในเราเกาไม่ได้หรอกเราจะไปลูบไปเกาจะเอาเอาอะไรมาทามันให้มันระงับเนี่ยมันไม่เงินระงับช่วงที่มันจะตายมันยิ่งปวดแรงที่เราก่อนที่เราเวลาเราเจ็บหัวปวดท้องที่เราป่วยไข้ามาแต่เราเกิดมานี่เราปว่วยเราเจ็บมากี่ครั้งมาแล้วที่ว่าเรามันปวดปวดเจ็บเจบเนี่ยยังไม่ใกล้เวลามันจะตายอัะนั่นแหละ เวลามันจะตายเนี่ยจิตของเราจะวันไวเข้าใจไหมอันนี้แหละถ้าใครฝืนสู้กับเวทนาแบบหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าเวทนามันมีจุดดับของมันในที่สุดมันหายไปก็ได้อ่าให้ให้เราพิจารณาเลยให้ให้เราพิจารณาเหมือนกันที่ว่าเวลาไฟไหม้ไฟไหม้บ้านเราจะลบลีกไปที่ไหนละ่ะไฟไหม้บ้านอ่าคนที่เขามีปัญญาเนี่ย ทรัพสมบัติ อ, อันไหนที่มันมีราคานะั่นเขาก็เจ็บๆๆๆๆแล้วเขาก็กระโดดออกจากบ้านไปอันนี้แหละเขาไม่ได้เป็นอันเดียวกับกับบ้านน ะ, ะใจใจของเราไม่ไมใช่กายนะใจของเราจิตของเราไม่ใช่กายของเรามันแยกกันได้อันนี้แหละพยายามให้มันแยกจิตออกจากกายอันนี้แหละการฝึกภาวนาก็แยกตัวนี้เหมือนกับคนที่ถือไฟไหม้ เราจะวิ่งเอาเอาสิ่งเอาของเราจะไปกอดว่าโอ้ยอันนี้ของของเราเราจะกอดของอยู่นั่นไฟก็ไหมเราตายอ่าอันนี้แหละมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราอ่าคนที่รู้จักวิธีก็ที่ว่าเก็บเอาสิ่งของแล้วก็กระโดดออกไปอันนั้นะเราพยายามแยกกิตออกจากกายเข้าใจไหมอันนี้หละวิธีแยกกิตออกจากกายก็คือย่ายึดย่ายึดว่ากายเรา วิธีสู้สู้อดสู้ทนสู้กับเวทนาแยกสิ้นส่วนในกายของเราเที่ยวว่าตัวเองเป็นล่างกระดูเป็นศกเป็นดินแบบนี้อันนี้แหละวิธีที่ว่าให้เราออกจากกายจิตจะแยกออกจากกายได้วิธีนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเราต้องพิจารณาเรื่องร่างกายของตัวตัวของเราตัวใครตัวมันนะอันตัวนี้อย่าไปคิดว่าเห็นสัตว์ตายอยู่ถนนนั่นไปกําหนด ดูคนตายอยู่ที่จะไปเผาน่อนอย่าไปคิดแบบนั้นให้เป็นกายของเราแล้วก็เป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมขึ้นเดียวนั้นอสอนตัวเองในขณะนั้นเดียวนั้นอันนี้แหละท่านจึงว่าเป็นคนรีบร้อนไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเราเอาเป็นแบบนี้อย่าคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานๆอย่าคิดเป็นแบบนี้เดี๋ยวปรมาูเขานี่คลิขึ้นมาเนี่ย ไม่มีลมหายใจแล้วปอดหายแล้วพิษมันไหลมาเข้าจมูกของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะอ่าเดี๋ยวนี้ซีเรียเขาโรบอยู่นะซีเรียเขาเป็นประเทศที่ไปก่ อ, อาการไายไปหลอยไปอลอบระเบิดประเทศนั่นประเทศนี้นะนะั่นแหละอ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกโซเวียตพวกรัสเซียเนี่ยพวกฝรั่งทั้งหมดเนี่ยเขาจะลุมเขาจะลุมเขาจะ เอาขีปนาวุธไปลุง ม, มันไปฆ่ามันทำนองนี้แหละถ้าไปฆ่ากันก็จะเกิดสงครามาศาสนาคิดสเตียนจะไปจะไปบอมอพวกอิสลามพวกอิสลามก็จะลุกฮือขึ้นมามันก็จะเป็นสงครามโลกเกิดขึ้นมาไม่แน่นะอีกต่อไปจะเป็นแบบนี้เราไม่แน่คิดว่าจะเกจะเท่าเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้คิดแบบนั้นหลวงพ่อว่าไม่มีวันพรุ่งนี้สําหรับเรา เราจะตายเดี๋ยวนี้ตายเดี๋ยวนี้บอกตัวเองแบบนี้วิธีฝึกหัดตัวเองต้องเอาแบบนั่นถ้าใครจะว่าโอ้ยเรายังไม่แกเดี๋ยวมีวันนั่นปีหน้าศีนหน้าทำอนองนี่และอาทิตย์หน้าเสาร์หน้าเดือนหน้าคิดว่าแบบนี้หละหลวงพ่อไม่เอาแบบนั่นอเอาปัจจุบันน่นะถ้าใครฝึกปัจจุบันได้ เราจะได้เกิดความรู้ความเห็นได้รู้ได้เห็นในปัจจุบันนี้ไม่ได้เอาชาติหน้าไม่ได้เรียกว่าพ่อต้องอนาคตการเรื่องหน้าน้นเทินนั่นหลวงพ่อไม่ต้องการอ่าหลวงพ่อคิดว่าชาติหน้านี่ไม่รู้จะเกิดที่ไหนอ่มันจะเป็นเป็ดไก่หมู ม, มา้าไม่รู้ว่าจะเกิดไปที่ไหนล่ะอ่าหลวงพ่อไม่ได้สนใจหลวงพ่อว่าเดียวนี่แหละเรามีโอกาสโอกาสที่มีเนี่ยก็คือว่า ร่างกายเราก็มีใจของเราก็พอนึกพุทธโธได้เรามีสติอยู่ประคับประคองกายได้อ่า น, นี่แหละให้รักษาฝึกแยกกิจออกจากกายให้ได้อันนี่แหละเราจะเป็นตัวผู้ลูกถ้าเราแยกได้เราจะได้เป็นตัวผู้ลูกมันเห็นแล้วมันก็เข็ดหลาบมันสงสารตัวเองที่มาเวียนว่ายตายเกิดโลกนี่เกิดมาแกม่มาเจ็บ ม, มาตายอยู่ทานองนี้ ที่เรามาเวียนไหวยตายเกิดเนี่ยเป็นวัตถุทุกเป็นวัตถวนมาแล้วเกิดเป็นหมูหมากาไก่มาเนี่ยเป็นสิงสาราสัตว์มาเนี่ยเป็นหลายล้านเที่ยวให้คิดดูที่เรามาเกิดชาตินี้เนี่ยแอบบางคนก็ห้าสิบหกสิบเ็สิบแปดสิบเนี่ยมันเหนื่อยไว้หล่อมันก็ยังคิดห่วงนั่นแหะถึงจะเกอถึงจะมีความเจ็บความปวดที่ว่าลูกหลานของเราเกิดขึ้นมา บางคนเขาก็เป็นคนเจเลยไม่ฟังพ่อฟังแม่ก็เกิดความที่ว่าท่อแท้อ่อนอกอ่อนใจเอ้ยลูกคนนี้เราเลี้ยงมากับมือทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เกิดความท่อแท่ทำนองนี้อันนี้โลกมันเป็นทานองนี่หละเกิดมาไม่สมหวังเราผิดหวังในที่สุดเราก็จะตายอยากโลกนี้ไปให้คิดสอนตัวทำนองนี้ให้เป็นปัจจุบันอย่าคิดว่าโลกนี้ วิกฤตพิสดารโอ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วคิดอะไรก็ได้สมหวังสมหวังเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันก็ผิดหวังทุกคนนั่นแหละเรื่องความแย่เนี่ยเราไม่ต้องการเข้าใจไหมความแย่เราไม่ก็ต้องการความจนยากจนเขินใจที่ว่าไม่อยากให้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยมีความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาไม่อยากให้มันไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะ มันก็เกิดขึ้นมาอันนี้แหละสิ่งไม่สมหวังมันเกิดขึ้นมาทํานองนี้ให้สอนตัวเองที่ว่าโลกนี้ไม่สมหวังพระราชามหากษัตริย์ก็ดูองค์นายหลวงของเราพ่อประเทศชาติของเราแบบประมุข ป, ประเทศชาติของเราท่านก็ยังสิ้นพระสนอันนี้แหล ะ, ะในที่สุดพวกเราก็จะตามไปเรื่อยๆนั่นแหละปู่ย่าตายายของพวกเราไปไหนหมดตาทวดของพวกเราไปไหนหมดก็ไปทํานองเดียวกัน ก็แก่กิบตายในที่สุดอันนี้พวกเราอย่าประมาทอย่าคิดว่ า, าตายแล้วแล้วไปเกิดใหม่ชาติหน้ า, า ก, ก็เกิดใหม่ไปเรื่อยๆอย่าคิดไปแบบนั้นาชาตินี้เราเกิดขึ้นมามีหลวงตามหาบัวที่ท่านเทศสอนพวกเราสอนพวกเราให้ได้รู้อัดรู้ทำ อ, อันนี้แหละใจของเราจะได้รู้ได้เห็นพระ หลวงตามหาบัวท่านก็ซี่แนะลงไปทำนองเดียวกันนั่นแหละไม่ออกจากกายหรอกใจกายนี่แหละพิจารณาลงที่นี่แหละอ่าลงที่กายที่ใจของเราเนี่แหละอย่าคิดว่าเป็นของเหลือวิสัยหลวงพ่อบอกว่าไม่เหลือวิสัยเป็นของไม่เหลือวิสัยแต่อยู่เลยตายนิดหนึ่งขอให้นั่งภาวนานี่ให้เลยตายอ่าถ้าใครนั่งภาวนาเลยตายก็สละตายเพื่อทำนั่นแะหละสละตายเพื่อทำให้มัน เอาที่ว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่เนี่ก็ทําไปเรื่อยๆลมหายใจไม่มีมันมีตัวลูกก็ดูตัวลูกไปเรื่อยๆอันนี้แหละมันแก่เกิดความลูกความเห็นขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดจิตของเรามันจะปล่อยวางมันไม่ยึดมันไม่มีอัตตามันไม่ยึดจิตของเราก็เป็นตัวลูกขึ้นมามันเป็นตัวนี้อันนี้แหละเดี๋ยวนี้เราก็มีอัตตาตัวตนมันก็ว่าของกู <c oughs> ของกู เงินทองสมบัติเข้าของของกูของกูงกบริษัทบริวารกูมันก็ว่าแบบนี้อันนี้แหะถ้าใครละความยึดตัวนี้อัตราตัว ต, วตวนตัวนี้ออกไปได้ใจของเราก็จะเป็นตัวผู้ลู่ขึ้นมาเราก็จะได้ว่าความลู่เนี่ยเพราะนั้นนักจะว่าเอโกปัตโตท่านว่าท่านอธิษฐานบาดจากสีบาบาดสีใบเป็นใบเดียวเอโกปัตโตอ่าอันนี้แหละ ให้เรารวมเข้ามารวมเข้ามาในที่สุดเหลือแต่ใจเข้าใจไหมอันนี้แหละสามเณรสามเณรสอนอาจารย์ <c oughs> มีรูมีรูอยู่หกรูให้ปิดห้ารูเอาเอา เ, เอาไว้รูเดียวท่านว่าอ่าสามเณรบอกอาจารย์ท่านก็มาดูที่ใจนั่นแหละอ่าไม่ส่งออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยตาหูจมูกลื่นกายใจไม่ส่งออกไปตามสิ่งเหล่านั้น อเข้ามาดูที่ใจของเราท่าเดียวอันนี้แหละในที่สุดเราก็ที่ว่าจะได้รู้จะได้เห็นสัจธรรมเอาฝนตกอ่าฝนตกแล้วอเก็บเข้าของเดี่ฝนเปียกฝนเปียกเอรถจะเปียกแล้วอ่าวันนี้ออ่่าาฝนตกแล้วนะวันี้ให้สู้อดสู้ทนอ่าวันนี้ เราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นนี่แหละความวุ่นวายของโลกโลกอะไรละ่ะอาร่างกายของเรานี่ก็มีโลกอ่าโลกประเทศชาตกิก็วุ่นวายประเทศนั่นประเทศนี่ก็วุ่นวายสำหรับประเทศไทยของเราก็วุ่นวายมาหลายข้างหลายหนอ่าให้เราอ่าพิจารณาดูความไม่กีรังยั่งยืนในร่างกายของตัวตนของเรานี่อีกวันข้างหน้ามันก็จะเกิดขึ้น อันนี้แหละให้พวกเราคิดทบทวนเข้ามาแบบนี้สมควรอย่างยิ่งที่ชาตินี่เราเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นสัตว์อื่นนั่นน่ะเขาภาวนาไม่ได้แต่มาเกิดเป็นคนแล้วนี่ถ้าใจของเราเนี่หันมาทางที่ว่าทางหาพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ยินเทปองค์หลวงตาเดี๋ยวนี้องค์หลวงตาก็ยังเทศสอนพวกเราอยู่ทุกวันทุกวันอยู่ในเทปในอะไรนะ่ะ ให้พวกเราสนใจฟังแล้วก็ปฏิบัติรีบเร่งเอาอย่าคิดว่าเออชาติใหม่เกิดใหม่จึงค่อยมาทำเอาถ้าคิดแบบนี้นะมันจะล่าหลังไปเกิดชาติใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นอะไรนี่ะเกิดเป็นนกหนูปูปีกเตดเ็ดไก่แบบนี้มันก็ไม่มีโอกาสเวลาไปเป็ดเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันยิ่งแย่อายุของพวกเรานั้นมันนาน อ, า, อายุนาน หลายแสนปีหลายล้านปีก็มีพวกสัตว์เหล่านั้นสัตว์นรกเหล่านั้นสัตว์ในละสาร น, นี่ยเขาหี้ยอะไรเขาก็เขได้กินนะแต่สําหรับเปรพวกเปดพวกผีเนี่ยมันหาของกินยากแม้แต่แม่น้ำํำมองเห็นแม่น้ําแล้วอยากจะเดินไปกินน้ําพอไปถึงแล้วเนี่ยมองเห็นน้ํานั้นน้ํานั้นเป็นแผ่นหินไปเลยนั่นกรรมปิดไว้ผลกรรมปิดไว้ อันนี้แหละหิว้วห้อยไม่ได้กินเหมือนพวกเราพวกสัตว์เดรัจฉานเขาหินวข้าวหิวห้วหญ้าหิา้วใบไม้ใบหญ้าเขาก็กินได้กินแต่พวกเป็ดพวกสัตว์นรกเนี่ยเขาไม่ได้กินอันนี้แหละให้พวกเราคิดดูที่เราเกิดมาเป็นคนมันมีสิทธิ์ที่จะทําได้เออเรามีโอกาสแล้วมีสิทธิ์แล้วสมควรอย่างยิ่งเราจะพากันรีบเร่งทําเอาอเป็นของที่จะได้รู้ได้เห็นสัตว์จะทำคำสั่งสอนของพุทธองค์ เป็นสิ่งที่จะรู้ได้เห็นได้เราอย่าคิดว่าโอ้ยไม่ใช่หน้าที่ของพวกญาติโยมเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อหลวงตาไปอย่าคิดแบบนั้นทุกคนนั่นแหละอย่างหลวงพ่อพูดให้ฟังนั่นแหละพระนางเขมาก็ยิ่งเป็นพระลาชินีนั่นแหละเป็นพระลาชินีของพระเจ้าพิมพิสารท่านก็สามารถฟังครั้งเดียวนะั่นบรรลุธรรมได้เลยแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีบุญญาบรารมีท่านก็รู้จากอุปนิสัยของพระนาง แต่ซาตกนท่านเคยบำเพ็ญความดีมาแล้วอั น, นี้หละพวกเราก็เคยบำเพ็ญมาเหมือนกันอันนี้แหละให้ฝึกหัดให้มีสติจดจ่อเพ่งเข้ามาที่กายของเรานั่นแหละในที่สุดพวกเราก็จะได้รู้ได้เห็นสัจธรรมคาสอนสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมันเกิดมันเห็นนะ่ะจะรู้คุณบิดามารดาปู่ย่าตายายเห็นคุณครูบาอาจารย์เห็นคุ ณ, คาาารคณพระพุทธเจ้าเราก็จะได้กราบองค์พระาศาสดาถึงอกถึงใจ อันนี้แหะสิ่งที่อพอทําได้ให้พวกเราฝาฝืนเอาอย่าคิดว่าเป็นของเหลือวิสัยอันนี้เป็นของพอปฏิบัติปฏิบัติได้อย่าคิดว่ามันไกลเกินเอื้องอย่าคิดแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มาจากคนครูบาอาจารย์ก็มาจากคนท่านมาจากไหนท่านก็มาจากคนนั่นแหละคนเรานี่แหละที่มีราคะมีกิเลสตัณหานี่แหละปฏิบัติได้ อ่าพวกกระเทยพวกเขาไม่มีราคาตันหาเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามบวชเข้าใจไหมอันนี้แหละพวกเรานี่แหละที่สมควรอย่างยิ่งให้พวกเราอดทนอย่าคิดว่าอ่ามันเหลือวิสัยอันนี้แหละโลกของเราอีกนับแต่วันจะวุ่นวายไปข้างหน้าช่วงที่เรามีโอกาสให้พวกเรารีบเร่งทําเอาบุญกุศลใดที่พวกเราได้กระทำำําบําเพ็ญใน การทําบุญทาทานก็ข อ, อถวายแก อ, องค์นายหลวงของเราขอให้ท่านไปสถิตสถาพรอยู่ในสวงที่สวงสวรรค์ในชั้นที่ดีๆนัะะ่นะในที่สุดท่านก็จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภายภาคหน้าได้ถอนลื้อขนสัตว์จากโลกมนุษย์นี่ไปสู่อมตะธรรมนั่นแหะให้พวกเราคิด ถวายพระราชสกุศลถวายแกย้องค์นายหลวงของพวกเราอันนี้ลราวันนี้หลวงพ่อพูดมาก็เห็นว่าสมควรเจวาแ เ, เวลาก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วนึกถึงสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยก็ขอให้พวกท่านจงได้รู้ได้เห็นในที่สุดก็ขอให้พ้นจากทุกในวัฏสงสารได้รู้ทำเห็นทำทุกท่านทุกคนเออ